พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเหมือนบันไดที่จะพาผู้ที่ศึกษาผู้ที่ปฏิบัติตามได้ขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าเราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะยกจิตใจของเราให้ขึ้นจากการเป็นมนุษย์ขึ้นไปสู่ การเป็นเทวดาไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆสวรรค์ก็มีชั้นเทพมีชั้นพรหมแล้วก็มีสวรรค์ของพระอริยเจ้าที่เรียกว่าพระนิพพานนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ถ้าเราทำบุญทาทานรักษาศีลห้าได้เป็นปกติใจของเราก็จะเลื่อนขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นเทพถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพคือสู่สวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องทำบุญเพิ่มอีกระดับหนึ่งคือรักษาศีลแปด เปลี่ยนจากการรักษาศีลห้าไปรักษาศีลแปแล้วก็หัดนั่งสมาธิทําใจให้สงบนะถ้าใจเราสงบใจเราก็จะเข้าสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระอริยัของพอระ พ, พุทธเจ้าของพาอาระอรหันต์เราก็ต้องทําเพิ่มอีกข้อหนึ่ง คือเราต้องเจริญปัญญาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะปล่อยวางก็จะหลุดออกจากการกลับมาเวียนว่ายตายเกิด โลกที่เราอยู่กันนี้เป็นโลกที่มีตายลักมีอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นโลกของมนุษย์ก็ดีโลกของเทวดาก็ดีโลกของพรหมก็ดีเป็นโลกที่มีตายลักคือไม่เที่ยงมีวันหมดเป็นมนุษย์เดี๋ยวก็ต้องตาย เป็นเทวดาเดี๋ยวก็ต้องตกลงจากสวรรค์มาเป็นมนุษย์เป็นพรหมก็จะต้องตกจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพลงมาสู่สวรรค์ลงมาสู่มนุษย์แล้วก็กลับมาทำบุญใหม่ถึงจะกลับขึ้นไปได้ใหม่ถ้าอยากจะขึ้นไปแบบไม่ต้องกลับลงมาก็ต้องพอได้สวรรค์ชั้นพรหมแล้ว ก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์ก็จะสามารถยกจิตให้ขึ้นสู่สวรรค์ที่ไม่เสื่อมได้คือสวรรค์ชั้นนิพพานไม่ต้องกลับมาเป็นพรหมเป็นเทพเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ต้องไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนอย่างที่เรากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ ตอนนี้จิตใจของเราถ้าได้ทาบุญทำทานได้รักษาศีลจิตใจของเราก็เป็นเทพแล้วยังไม่ต้องรอให้ตายจิตใจนี้เป็นเทพได้ตั้งแต่ยังมีร่างกายนี้อยู่อย่างที่มีคำสอนที่ท่านพูดว่าร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจอาจจะเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลไป ถ้าได้ทําบุญทําทานตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนทําบุญทําทานรักษาศีลห้าก็จะได้เป็นเทพเป็นเทพก็มีหลายชั้นที่มีหลายชั้นเพราะว่าทําบุญรักษาศีลไม่เท่ากันบริสุทธิ์ไม่เท่ากันทําบุญมากน้อยไม่เท่ากันสวรรค์ชั้นเทพจึงมีไม่เท่ากันมีหลายชั้น สวรรค์ชั้นผมก็มีหลายชั้นเพราะการนั่งสมาธิทําใจให้สงบก็มีหลายระดับมีฌานมีฌานสี่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่นี่คือความสงบของใจในระดับต่างๆสวรรค์ของพระอริยเจ้าก็มีหลายชั้นมีสี่ชั้นชั้นโสดาบันชั้นสกิดาคามี ชั้นอาณาคามีชั้นอรหันต์มีความสงบมีความสุขต่างกันแต่ก็เป็นเหมือนกับการเดินขึ้นบันไดถ้าเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็เดินถึงชั้นสูงสุดได้ถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็ไปถึงชั้นสูงสุดคือชั้นพระนิพพานได้ น, นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อแล้วเราปฏิบัติตามถ้าเราไม่เชื่อเราไม่ทาบุญเราไม่รักษาศีลจิตใจของเราก็จะไปอีกทางหนึ่งคือไปลงไปทางต่ำลงไปสู่ใต้ดินลงไปสู่การไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกาย ไปนรกเกิดจากการทำบาปคือฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดดื่มสุรายาเมาและเสพอบายมุกต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนคบเพื่อนไม่ดีเป็นมิตรมีความเกลียดคร้านการกระทำเหล่านี้ จะพาให้จิตใจตกต่ำร่างกายตายไปใจก็จะต้องไปสู่อบายถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานไปเกิดเป็นแมวเป็นหมาเป็นอะไรเป็นสัตว์ต่างๆถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต ถ, ถ้าทำบาปด้วยความกลัว ก็จะไปเป็นอสุรกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเครียดแค้นก็จะไปนรกอ่านี่คือที่ไปของจิตใจของแต่ระของแต่ละผู้ปฏิบัติอยู่ที่ว่าจะปฏิบัติอะไระถ้าไม่เชื่อ คำสอนก็จะมักจะไม่ทำบุญกันจะไม่รักษาศีลกันจะไม่นั่งสมาธิจะไม่ศึกษาพราะธรรมคำสอนเพื่อให้เกิดปัญญากันก็จะชอบไปเสพอบายามุขชอบไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวตามสถานที่มีโมาหาะโลศ บ, บันเทิงต่างๆไป ดื่มสุรายามเมาไปเล่นการพนันถ้าไปมีการกระทําเหล่านี้เดี๋ยวก็ต้องไปทาบาปเพราะว่าการเสพ บ, บายามุกนี้ไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเล่นการพนันเดี๋ยวก็ต้องเสียหมดเมือไม่มีเงินก็อาจจะต้องไปลักขโมยไปโกหกหลอกลวงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เอาเงินมา เดินการพนันต่อดื่มสุราก็ทําให้มึนเมาไม่สามารถไปทํางานทําการได้ก็จะไม่มีรายได้พอไม่มีรายได้แต่ยังอยากดื่มสุราอยู่ก็ต้องไปทําบาปไปหาเงินโดยวิธีทําบาปไปเที่ยวเตะก็เหมือนกันเที่ยวเตะก็มีแต่ใช้จ่ายเงินทองไม่มีรายได้ พอเงินหมดก็ต้องไปทำบาปไปลักขโมยไปปล้นไปจี้ไปโกโหกหลอกลวงนะพระพุทธเจ้าจึงสอนอย่าไปเสพอบายามุกอบายแปลว่าที่ที่ไปเกิดของผู้ที่ทำบาปมุกแปลว่าทางเข้าอบายามุกถ้าใครไปเสพอบายามุกก็เหมือนกำลัง กำลังเดินเข้าไปในอบายถ้าไม่ไปเสพอบายมุขก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้ต้องไปทำบาปเพราะเงินทองจะไม่ลวไหลเงินทองจะไม่หมดไปอย่างง่ายดายแล้วก็จะมีเวลาไปทำงานทำการทำมาหากินก็จะมีรายได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงทองเงินทองก็จะไม่ขาดมือ เมื่อเงินทองไม่ขาดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำบาปนี่คือวิธีป้องกันไม่ให้จิตใจของพวกเราตกต่ำก็คืออย่าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกเนี่ยอย่าไปดื่มสุราอย่าไปเล่นการพนันอย่าไปเที่ยวกลางคืน อย่าไปคบคนท WOW> like, like like like like ี่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะพบกับคนที่เขาชอบอบายมุขเขาก็จะชวนเราไปเสพอบายมุขคบกับคนที่ชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเรากินเหล้าคบกับคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราเล่นการพนันคบกับคนที่ชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวคบกับคนขี้เกียจเขาก็จะชวนให้เรา ขี้เกียจไม่ไม่ทำงานทำการนี่คือคนพาลคนพาลก็คือคนที่ชอบอบายมุกถ้าถ้าเจอรู้จักคนแบบนี้ก็พยายามเหลี่ยงเลี่ยงอยา่าใกล้ชิดสนิทสนมครบกันพอไม่ให้เสียมารยาทได้อยู่แต่ถ้าเขาจะชวนเราไปดื่มสุราเราก็ต้องปฏิเสธ ชวนเราไปเที่ยวชวนเราไปเล่นการพนันเราก็ต้องปฏิเสธเพราะว่าถ้าเราไปเสพเดี๋ยวเราจะติดพอติดอบายามุกแล้วก็จะไม่มีเวลาไปหาไปทำงานทำการก็จะไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพอเงินไม่พอใช้ก็จะต้องไปหาโดยวิธีทำบาป ทำบาปแล้วใจก็จะต้องไปรับผลบาปไปเกิดในอบายหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว น, นี่คือทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรารักษาศีลให้เราละเว้นอบายามุกเพื่อปิดประตูอบายนั่นเองถ้าเรารักษาศีลได้ไม่เสพอบายามุกตายไปเราไม่ต้องไปเกิดในอบายกัน เพราะเหตุที่พาให้ไปเกิดในบาปนั้นถูกกำจัดเราไม่ทำบาปรักษาศีลห้าข้อให้ดีแม่เราไมเ่เราไม่เสบบบายามุกโอกาสที่จะไปทำบาปก็มีน้อยถ้าจะทำก็อาจจะทำเพราะลุกแกโมหะลุกแกโทสะหรือลุกแกโลภะซึ่งเป็นเป็นพักพักเป็นครั้งครัง เวลาอยากจะได้อะไรมากๆอากข้ามใจไม่อยู่ถ้าไม่มีเงินซื้อก็อาจจะไปขโมยเงินมาซื้อหรือเวลาโกรธใครมากๆ ก, ก, ก็อาจจะไปทำร้ายเขาอันนี้เป็นการเกิดขึ้นเวลาเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นไม่ได้เกิดบ่อย เหมือนกับการไปเสปบะบายามุกเนี่ย <c oughs> ซึ่งเราก็สามารถที่จะมาแก้เรื่องของการรู้แก่โทสะได้ก็คือพยายามรักษาศีลให้มั่นไว้เวลาโกรธใครอยากจะไปทำร้ายเขาก็ต้องเตือนว่าทำไม่ได้เราทาเรารักษาศีลไปทำบาปไม่ได้เวลาอยากจะได้อะไรมากๆ ถึงอยากจะไปขโมยก็ต้องห้ามบอกทำไม่ได้เราถือศีลเราไม่อยากไปอบายคือให้มีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความอายโอตปะคือความกลัวของกลัวผลของบาปที่จะเกิดขึ้นถ้ามีฮิริโอตปะแล้วเวลาจะทำบาปก็จะไม่กล้าทำเพราะคนทำบาปนี้ไม่สวยงาม ไม่มีใครยกย่องสรรเสริญไม่มีใครชื่นชมยินดีมีแต่คนลังเกียดคนทำบาปจิงเป็นคนที่น่าอับอายขายหน้าถ้ามีหิริจะไม่กล้าทำถ้าอยากจะให้คนเขารักเขาชอบเราเราก็จะมีความอายมีหิริในการกระทำบาปเวลาจะทำบาปก็ จะมีฮีริมาเตือนว่าอย่าทำนะทำแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมยินดีหรือถ้าให้ถ้าอดตปะก็ให้เราคิดถึงผลบาปที่จะตามมาทำบาปแล้วต้องไปเกิดในอบายทำบาปด้วยความหลงก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรต ทำบาปด้วยความกลัวก็จะไปเป็นนอสลกายทำบาปด้วยความโกรธความแค้นความพยาบาทก็จะไปอบาตอาไปนรกเนี่ยให้เราระลึกถึงผลที่จะตามมาจากการทำบาปแล้วเราก็จะสามารถหักห้ามจิตใจเวลาเกิดมีความอยากจะทำบาปไม่ให้ทำบาปได้ ถ้าเราสามารถรักษาศีลได้เป็นปกติตายไปนี้เราไม่ต้องไปเกิดในอบายอย่างแน่นอนถ้าเราอยากจะไปสวรรค์นอกจากรักษาศีลแล้วเราก็ต้องหมั่นทาบุญทาทานอยู่เรื่อยๆการทาบุญนี้เป็นเหมือนกับการเอาเงินไปแลกเปลี่ยนสกุลเงิน เพราะเวลาเราตายไปนี่เราเหมือนกับเราไปต่างประเทศเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเรามาเกาะติดอยู่กับร่างกายชั่วคราวมาใส่ร่างกายพาเราเที่ยวในโลกนี้พาเราหาความสุขในโลกนี้แต่ร่างกายเรามันเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราเป็นใจที่ไม่มีรูปร่างหน้าตามีแต่ความรู้สึกนึกคิดมีแต่ผู้มีแต่ผลที่จะรับจากการทําบุญหรือทาบาปเวลาเราทําบุญนี้ก็เหมือนกับเราเอาเงินที่เราใช้ในโลกนี้ไปเปลี่ยนเป็นบุญบุญนี้เป็นเงินที่เราจะไปใช้ในในโลกทิพย์เวลาที่เราไม่มีร่างกาย ใจของเราก็จะกลับไปอยู่ในโลกทิพย์ไปเสพอาหารทิพย์รูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์การจะเสพรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ได้ก็ต้องมีบุญซื้อมีเงินซื้อเงินที่จะซื้อรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ก็คือบุญงั้นเวลาเราทาบุญนี่เหมือนกับเราเอาเงินที่เราใช้ในโลกนี้มาเปลี่ยนเป็นเงินที่เราจะไปใช้ในโลกทิพย์นะ เหม <that> <that brilliant> <tense> ือนเวลาเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราก็ต้องเปลี่ยนเงินสกุลเรามีเงินบาทเราเอาไปใช้ในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินสกุลของประเทศที่เราจะไปจะไปญี่ปุ่นก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินเยนไปเมืองจีนก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินหยวนไปซาอุดิษก็ต้องเปลี่ยนเป็นเงินดอลลาร์ ถึงจะไปซื้อข้าวของไปจ่ายค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆได้อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราตายไปก็เหมือนกับเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเราออกจากโลกนี้ไปทิ้งร่างกายนี้ไปเพราะว่าร่างกายนี้หมดสภาพไม่สามารถทาหน้าที่รับใช้เราได้เราก็เลยต้องไป หาร่างกายอันใหม่ก็ต้องไปรออยู่ในโลกทิพย์ตอนที่ไม่มีร่างกายจนกว่าจะได้พบพ่อแม่คนใหม่ได้ร่างกายอันใหม่เราถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ช่วงที่เรารอรับร่างกายนี้ก็เป็นช่วงที่เราจะไปรับผลบุญหรือรับผลบาปเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำบุญทำแต่บาปเราก็จะต้องไปเป็นดวงวิญญาณ ที่มีแต่ความหิวโหยโดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัวดวงวิญญาณที่มีแต่ความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทหรือถ้าเกิดก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานต้องอยู่แบบสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่มีศีลกันถ้ามนุษย์อยู่มนุษย์ไม่มีศีลก็เหมือนกับเป็นสัตว์เดรัจฉาน พอตายไปไปเกิดก็จะได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนที่จะได้ร่างกายของมนุษย์ก็าจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ก็ต้องใช้บุตรใช้บาปที่ทําให้มันหมดก่อนพอบาปที่ส่งให้เราไปเกิดในอบายมันหมดเหมือนน้ามันรถเวลาเราเติมน้ํามันรถเราก็ขับรถไปไหนมาไหนได้แต่ขับไปสักพักเดียวน้ํามันก็หมด น้ำมันหมดเราก็ต้องกลับมาเติมที่สถานีบริการพบของมนุษย์นี่ก็เป็นเหมือนสถานีบริการเวลาเราทำบุญหรือทำบาปแล้วเราไปรับผลบุญผลบาปพอผลบุญผลบาปที่เราได้ทามันหมดก็เหมือนน้ำมันหมดเราก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อมาเติมบุญมาเติมบาปใหม่กลับมาทำบุญมาทำบาปใหม่ ถ้ามาเกิดแล้วไม่มีใครสอนว่าทำบาปไม่ดีทำบุญดีก็อาจจะไปทำบาปกันเพราะทำบาปมันง่ายกว่าทำบุญอยากจะได้อะไรได้มาโดยวิธีทำบาปมันได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าได้มากกว่ามากกว่าการทำโดยไม่ทำบาปแล้วการทำบุญถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็จะไม่ได้ทำ คนที่จะได้ทำบุญนี้ก็เพราะว่ามีเงินทองเหลือกินเหลือใช้พอแบ่งให้ผู้อื่นได้ถึงจะได้ทำบุญแต่ถ้าชอบใช้เงินใช้ทองไปกับอบายามุกต่างๆก็จะไม่มีเงินจะมาทำบุญทำทานแล้วก็จะทำให้ไปทำบาปเวลาเงินหมดเงินไม่พอใช้ ดังนั้นถ้าไม่ได้มาเจอคําสอนของพระพุทธเจ้าคนส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ทําบุญกันจะไม่รักษาศีลกันสังเกตดูคนที่ไม่เข้าวัดกับคนเข้าวัดนี่มีความแตกต่างกันคนเข้าวัดนี่มักจะทําบุญจะจะรักษาศีลกันแต่คนที่ไม่เข้าวัดนี่มักจะไม่ค่อยทําบุญทําก็น้อยมักจะทําบาสมักจะเสพอบายมุกกัน ดังนั้นเวลากลับมาเกิดเป็นมนุษย์นี่จะทำบุญหรือทำบาปส่วนหนึ่งก็อยู่ที่สิ่งแวดล้อมที่เรามาเกิดถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องของผลบุญของผลบาปแล้วมันก็จะทำให้เราเลือกได้ว่าเราจะเอาอย่างไหนถ้าเราทำบาป ผลบาปก็จะทำให้เราทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เรายังไม่ตายเวลาเราทำบาปในิจใจจะไม่สบายจะไม่สบายใจเวลาไม่ได้ทำบาปในิจใจจะเย็นจะสบายไม่วิตกกังวลไม่หวาดกลัวแต่พอทำบาปแล้วทีนี้ก็จะมีความวิตกมีความกังวลหวาดกลัวขึ้นมากลัวคนอื่นเขาจะรู้เขาจะจับได้ว่าเราทำบาป อย่างน้อยเขารู้ก็ทำให้เราเสียหน้าเสียตาแล้วถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็อาจจะจับเราไปติดคุกติดตารางได้เพราะทำบาปแล้วใจมันก็จะไม่สบายขึ้นมาทันทีนี่คือผลที่เกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายตายไปแล้วก็ต้องไปรับผลบาปแล้วแต่ว่าทำบาปด้วยความโลภความโกรธ ความหลงแล้วความกลัวอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังต่อเมื่อเราได้มาเจอศาสนาเจอคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เจอเราก็จะไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเราก็จะไม่เชื่อเรื่องการไปเกิดต่อหลังจากที่เราตายไปแล้วคนส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าวัด น, นี้จะไม่เชื่อว่าตายแล้วจะไปเกิดต่อ คิดว่าตายแล้วก็ศูนย์เพราะคิดว่ามีเพียงร่างกายคิดว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นของอันเดียวกันพอร่างกายตายจิตใจก็ตายไปด้วยแล้วใครจะไปรับผลบุญผลบาปเมื่อไม่มีใครไปรับผลบุญผลบาปทาบุญให้เสียเงินทองไปเปล่าๆทาไมซื้อเอาเงินมาเที่ยวมากินมาเดินมาเล่นดีกว่า ทำบาปก็จะไม่กลัวอย่างมากก็เพียงแต่ไปติดคุกติดตารางเท่านั้นเองถ้ายังไม่ตายถ้าทำบาปทาผิดกฎหมายถ้าถูกตํารวจจับก็ไปติดคุกติดตารางแต่ถ้าหลบหนีได้ก็ไม่ต้องติดคุกติดตารางก็ไม่ค่อยกลัวบาปกันเพราะคิดว่าบางทีทำบาปแล้วถ้ามีเงินก็อาจจะหลบหนีได้ใช้เงินช่วยได้ คนในชอบหาเงินกันด้วยวิธีทำบาปเพราะถ้ามีมีเงินแล้วถึงแม้ ว, ว่าจะถูกจับก็ยังสามารถซื้ออิสรภาพได้ถ้ามีเงินพอก็เลยไม่ค่อยกลัวบาปกันแต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาซื้อไม่ได้ก็คือการที่จะต้องไปเกิดในอบายต่อไปเขาไม่รู้ว่าใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ใจนี่เปรียบเหมือนกับคนขี่มา้าเนคนขี่ม้ากับม้านี่เป็นคนละคนกันร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าที่ที่ใจมาขี่มาสั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเหมือนกับม้าที่คนขี่ขี่ตามเวลาม้าเป็นอะไรไปตายไปคนขี่ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไปกับมา้า คนขี่ถ้ายังอยากจะขี่ม้าอยู่ก็ต้องไปหาม้าตัวใหม่มาขี่พวกเราก็เป็นเหมือนกับคนขีม่ม้าคนที่ขี่ร่างกายใช้ร่างกายให้ไปทําอะไรต่างๆเรามาเกิดที่เรามาเกิดนี่เพราะเราอยากจะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้สิ่งที่มีอยู่ในโลกที่เราอยากได้ก็คือลาบยศจัลเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายคือรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะการที่เราจะเสพของเหล่านี้ได้เราต้องมีร่างกายเราจึงต้องมาเกิดอยู่เรื่อย เ, รอยเพราะเวลาที่เราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ เราก็ต้องหาความสุขจากบุญที่เราทาเท่านั้นในช่วงที่เราไม่มีร่างกายช่วงที่เราไปรอรับร่างกายอันใหม่ถ้าเราไม่มีบุญเราก็จะไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะเสพไม่มีความสุขก็จะอยู่แบบขอทานต้องมารอรับส่วนบุญจากผู้ที่เขายังมีชีวิตอยู่อย่างที่เวลาเราทําบุญกันเราก็อุทิศบุญให้กับผู้ที่ร้องรับไปแล้ว เพราะเราเป็นห่วงเป็นใยคนที่เรารักที่เขาจากเราไปว่าเขาอาจจะอยู่แบบไม่มีบุญถ้าอยู่แบบไม่มีบุญก็อยู่แบบขอทานเราก็ส่งบุญไปให้เขาเหมือนให้เงินขอทานให้เขาได้มีความสุขบ้างแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเชื่อว่าเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เราหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเราต้องไปอยู่ในโลกทิพย์เราก็ขยันทำบุญกันมีเงินมีทองแทนที่จะไปซื้อของฟุ่มเฟือยไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มเราก็เอามาซื้อมาทำบุญดีกว่าเพราะว่าความสุขที่เราได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันก็เดี๋ยวเดียวมันก็หมดซื้อเอาเงินมาทำบุญไม่ได้ เพราะทำบุญแล้วใจก็ได้ความสุขอีกแบบหนึง่งคือได้ความอิ่มใจได้ความสบายใจได้ความพอใจเราจะทำให้ไม่หิวกับการไปเที่ยวไปกินไปดืม่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเราก็จะได้ทำบุญมีเงินทาบุญมากขึ้นเพราะเงินที่เราจะเอาไปใช้ไปกินไปดืม่มไปเที่ยวไปเล่น ไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็เอามาทำบุญกันเมื่อเราทำบุญเราก็มีบุญติดตัวไปตายไปเราก็ได้ไปเป็นเทวดากันอยู่สวรรค์ชั้นเทพเศรษรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์ไปแต่ถ้าเราอยากจะได้ไปสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นเทพเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติ จากการรักษาศีลห้ามารักษาศีลแปดแล้วก็มาฝึกนั่งสมาธิเราต้องหยุดการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะถ้าถือศีลแปดก็จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนก็ไม่ได้จะไปรับประทานอาหารขํามไปกินเลี้ยงก็ไม่ได้ให้กินพอ อยู่ได้ให้กินแค่เที่ยงวันก็พอหลังจากเที่ยงวันก็ไม่ให้กินคือไม่ให้หาความสุขจากการกินแล้วก็ไม่ให้หาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมหัรสบต่างๆไม่ให้หาความสุขจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากแล้วก็ไม่ให้นอนสบายจนเกินไปเพราะจะนอนมากเกินไปให้นอนแบบ ไม่ค่อยสบายคือนอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือปูด้วยเสือ่อเพราะว่าถ้านอนบนฟูกหนาๆมันจะสบายเวลาร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วพอตื่นขึ้นมาใจก็ยังจะไม่อยากจะลุกก็จะนอนต่ออีกก็จะทำให้เสียเวลาเอาเวลาที่นอนนี้มาปฏิบัตินั่งสมาธิจะดีกว่า พอะจะได้ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากการกินการนอนการเที่ยวการเล่นนั่นเองเห็นถ้าใครอยากจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องมาสร้างความสุขทางใจคือมาทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วใจจะมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ การจะมานั่งสมาธิได้ก็ต้องมีเวลาก็ต้องหยุดกิจกรรมทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการถือศีลแปดอถือศีลแปดเราก็จะมีเวลาว่างเพราะไม่มีอะไรต้องทำนอกจากนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฝึกสติจเจริญสติก่อนที่จะนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ต้องมีสติก่อน สตินี้เป็นเหมือนเชือกใจเราเป็นเหมือนลิงใจเรานี้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยอยู่นิ่งๆไม่เคยหยุดคิดเลยถ้าอยากจะให้ลิงมันนิ่งเราต้องมีเชือกมาจับมามัดตัวมันไว้มัดให้มันให้แน่นถ้ามีเชือกเส้นใหญ่ๆมามัดตัวลิงแล้วลิงมันก็จะทำอะไรไม่ได้มันก็จะอยู่นิ่งๆได้จิตของเราจะสงบเป็นสมาธิ จะให้ความสุขกับเราได้ก็ต้องทำให้มันนิ่งต้องให้มันหยุดคิดการที่จะหยุดคิดเราก็ต้องมีสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาวิธีสร้างสติก็คือใช้กรรมาฐานเนี่ยกรรมาฐานสี่สิบชนิดเป็นอารมณ์ที่เรามาใช้การสร้างสติเราสามารถเลือกกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นพุทธานุสติเราก็ระ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าเช่นพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปถ้าอนาปนาสติเราก็ดูลมหายใจเข้าออกไปการใช้กรรมฐานก็อยู่กับสภาพที่เราอยู่ถ้าเรากำลังทำอะไรอยู่จะดูลมหายใจนี้มันไม่ไม่สะดวกมันดูยากก็ให้ใช้พุทธโธแทนเช่นเรากำลังอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟัน แล้ว เ, เราจะต้องการให้ใจไม่คิดไม่คุยกันไม่คุยกัยกบตัวเองเราก็ต้องใช้พุทโธมาหยุดมันตามปกตินี่เราชอบคิดชอบคุยกับตัวเราเองไม่ว่าจะทำอะไรล้างหน้าแปรงฟันเราก็คุยกับตัวเราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปถ้าเราอยากจะหยุดมันเราก็ต้องใช้พุทโธเข้ามาหยุดมันล้างหน้าไปก็พุทโธไปอาบน้าก็พุทโธไปแปรงฟันก็พุทโธไป ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดได้เวลาเรามานั่งใจก็จะนิ่งจะสงบได้ใจต้องการที่จะทำให้ใจนิ่งได้เต็มที่นี้จำเป็นจะต้องนั่งเฉยๆเพราะถ้าเรายังเคลื่อนไหวทางร่างกายอยู่ใจต้องทำงานเพราะใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวสั่งให้ร่างกายยืนสั่งให้ร่างกายเดินสั่งให้ร่างกายล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำ อาบท่าใจยังต้องทำงานอยู่ถ้าอยากจะให้ทำไม่ทำงานเต็มที่ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ใช้พุทธโธบังคับให้หยุดคิดเดือถ้าไม่ใช้พุทธโธก็ดูลมหายใจเข้าออกได้ถ้านั่งเฉยๆนั่งสมาธินี่จะใช้พุทธโธก็ได้จะใช้การดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ให้ดูเฉยๆถ้าดูลมก็ให้ดูเฉยๆดูที่ปลายจมูก ไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้ว่าลมเข้าตรงนั้นรู้ว่าออกตรงนั้นถ้าลมหยาบก็รู้ว่าหยาบลมละเอียดก็รู้ว่าละเอียดลมสั้นก็รู้ว่าสั้นลมยาวก็รู้ว่ายาวให้รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องไปสั่งให้ลมหายใจลึกๆหายใจ ย, วยาวปล่อยให้มันหายใจตามปกติของมันตามธรรมชาติของมัน เราเพียงต้องการอาศัยลมเป็นที่ผูกใจเป็นที่หยุดความคิดของใจถ้าเราเฝ้าดูลมอย่างเดียวเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอเราไม่คิดเดี๋ยวใจก็จะนิ่งสงบพอนิ่งสงบแล้วก็จะมีความสุขความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะทำให้เรามี ความอิ่มความพอจะลดความอยากต่างๆได้เคยอยากไปเที่ยวเคยอยากมีนั่นมีนี่ก็จะลดลงไปได้เพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ดีกว่าง่ายกว่าไม่ต้องทำอะไรนั่งเฉยๆเท่านั้นเองถ้าไปเที่ยวก็ต้องมีเงินไปซื้อตัว๋วไปจองที่พักไปอะไรต่างๆถึงจะไปเที่ยวได้แล้วไปเที่ยวก็ได้ความสุขเดียวเดียว ต้องเตรียมตัวต้องหลายวันหลายเดือนพอไปเที่ยวไม่กี่วันก็หมดแล้วสู้มานั่งเฉยๆทำใจให้สงบดีกว่าพอเราทำใจได้สงบได้ต่อไปเราก็ทำได้ทุกวันทุกเวลาต้องการมีความสุขเมื่อไหร่ก็นั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปเดี๋ยวไม่นานใจก็จะสงบ เวลาสงบแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรให้รู้เฉยๆให้รู้ว่าตอนนี้ใจสงบใจสบายใจไม่คิดอะไรก็คอยควบคุมคอยเฝ้าดูว่าคิดอะไรหรือเปล่าถ้าคิดก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดพอเดียวถ้าปล่อยให้มันคิดเดียวมันก็จะอยากจะลุกอยากจะไปทำนู่นทำนี่ถ้ามันคิดก็ใช้สติหยุดมันถ้าหยุดมันไม่ไหวมันจะลุก เวลาลุกขึ้นมาก็มาฝึกสติต่อมาพุโทโธต่อมาห้ามความคิดต่อไปแล้วพอเราเดินหรือทาอะไรเสร็จเราก็กลับมานั่งใหม่หัดเข้าสมาธิบ่อยๆหัดเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปเราจะไม่ต้องไปไปทำอะไรเพื่อให้มีความสุขเราเพียงแต่มานั่งสมาธิ ดีกว่าเพราะว่าการนั่งสมาธิไม่ต้องใช้อะไรนอกจากใช้สติเท่านั้นเองถ้าความสุขอย่างอื่นนี้ต้องใช้เงินใช้ทองใช้คนนั้นใช้คนนี้ใช้สิ่งนั้นใช้สิ่งนี้ใช้ร่างกายของเราด้วยร่างกายของเรามันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ แต่ถ้าเราใช้สมาธิเป็นเครื่องมือหาความสุขเราก็สามารถหาได้ตลอดเวลาไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไม่เราก็สามารถหาความสุขได้ร่างกายตายเราก็ยังสามารถหาความสุขได้เพราะถ้าร่างกายตายถ้าใจเรามีสมาธิเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหม แต่สวรรค์ชั้นพรมนี้ยังเป็นสวรรค์ที่เสื่อมลงมาได้ถ้ากำลังของสมาธิหมดใจของเราก็จะออกจากสมาธิเราก็จะมาอยากเสพรูปเสียงกลิ่นลน่นถ้าเราอยากจะให้ใจของเราสงบแบบไม่เสื่อมถ้าเราได้สมาธิแล้วออกจากสมาธิเราก็ต้องหัดใช้ปัญญาเอาปัญญานี้มาใช้คอยป้องกัน ร, รักษาความสงบ ป้องกันสิ่งที่จะมาทำลายความสงบที่เราได้จากสมาธิสิ่งที่จะมาทำลายความสง บ, บของใจที่เราได้จากสมาธิก็คือความอยากต่างๆนั่นเองความโลภความโกรธความหลงเวลาออกจากสมาธิมาเดี๋ยวเราก็ต้องอยากดูบ้างอยากฟังบ้างอยากทานู่นทานี่บ้างอยากได้นั่นอยากได้นี่บ้าง ถ้าเราอยากจะกำจัดความอยากเหล่านี้เราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาจะสอนให้ใจรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้นี่มันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันได้สุขเดี๋ยวเดียวสุขตอนต้นแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเพราะสิ่งต่างๆที่เราได้มามันเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันจะไม่ให้ความสุขกับเราไปตลอดเวลาได้มาแล้ว เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปได้หรือมันหมดไปได้พอมันเปลี่ยนไปหมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หายไปเปลี่ยนจากความสุขมาเป็นความไม่สุขเป็นความทุกข์ไปเวลาหายไปก็เสียใจนี่ให้สอนสอนให้เรามองว่าทุกอย่างที่เราต้องการเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงมาแล้วเดี๋ยวมันก็หมด พอหมดแล้วมันก็มันก็ความสุขก็หมดแล้วพออยากได้แล้วถ้าไม่ได้มันก็จะทุกข์เนี่ยฉะนั้นอย่าไปอยากได้ดีกว่าหยุดความอยากอย่าไปทำตามความอยากถ้าเราฝืนใจไม่ไปทำตามความอยากเราใช้สติคอยควบคุมใจให้หยุดความอยากใช้พุทโธพุทโธพุทโธไป อย่าไปคิดถึงสิ่งที่เราอยากได้หรือถ้าคิดถึงก็ให้มองให้เห็นว่าเดี๋ยวมันจะต้องหมดเดี๋ยวมันจะต้องจากเราไปได้มาแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีการพัดภากจากกันเวลาพัดภากจากกันก็จะมีแต่ความเศร้าโศกเสียใจถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะ <c oughs> เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไร เพราะการได้อะไรมาก็เท่ากับการได้ความทุกข์มานั่นเองเพราะได้มาแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเสียไปแล้วเราก็ห้ามมันไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งว่าไม่ให้มันเสียไม่ได้ไม่ให้มันจากเราไม่ได้เพราะมันเป็นของของธรรมชาติเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศที่เราไปสั่งไม่ได้ไปห้ามไม่ได้สั่งให้ฝนตกไม่ได้ฝังให้ ฝนไม่ตกไม่ได้ฝนมันจะตกก็ตกฝนมันจะหยุดก็หยุด <c oughs> คนจะเป็นคนจะตายเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ถ้าเราได้แฟนแล้วเราไปสั่งว่าแฟนเราจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเราก็สั่งไม่ได้เดี๋ยววันดีคืนดีแฟนเราก็จากเราไปไม่จากเป็นก็จากตายถ้าเราเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ ไปสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราเพียงอย่างเดียวไม่ได้เดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วแทนที่เขาจะให้ความสุขกับเราเขาก็จะให้ความทุกข์กับเราแทนถ้าเราเห็นความจริงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆว่าเป็นของชั่วคราวของเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดแล้วจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไป เราก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเราสู้อยู่กับความสงบดีกว่าเราก็กลับไปนั่งสมาธิดีกว่าพอาะนั่งสมาธิใจก็สงบใจก็เย็นสบายหรือถ้าเราไม่ทำตามความอยากใจที่วุ่นวายกับความอยากก็จะสงบตัวลงพอความอยากไม่มีแล้วใจก็จะนิ่งจะเย็นจะสบาย ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เวลาที่ใจไม่มีความอยากนี่ใจเราเย็นใจเราสบายพอเกิดความอยากในใจเราจะเกิดความทุรลด์ทุลายขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดเกิดความลำคาญใจต่างๆขึ้นมานี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาเวลาเราอยากได้อะไรเราต้องมองสิ่งที่เราอยากว่ามันเป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมด ไปสั่งให้มันไม่หมดไม่ได้ไปห้ามมันไม่ให้หมดไม่ได้ <c oughs> ถึงเวลามันจะหมดก็หมดถึงเวลามันจะจากเรามันก็จากเราเราอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่ต้องมาเสียใจไม่ต้องมาร้องห่มร้องไห้ <c oughs> นี่คือปัญญาที่เราจะต้องสอนใจหลังจากที่เรามีสมาธิมีความสงบแล้ว ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบต่อไปเราต้องคอยกําจัดความอยากตัวที่จะมาสร้างความไม่สบายใจให้กับเราพออยากได้อะไรก็ต้องบอกว่าสิ่งนั้นไม่เที่ยงนะเดี๋ยวสิ่งนั้นจะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเขาให้ความสุขตอนใหม่ๆเดี๋ยวต่อไปเขาหมดไปหรือเขาเสื่อมไปเขาเปลี่ยนไปความสุขที่ได้จากเขาก็จะหมดไปแล้วก็จะได้ความทุก กลับมาแทนที่อนี้คือการใช้ปัญญาให้พิจารณาลาบยศสรรเสริญพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เราควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะหมดก็หมดเราจะไปสั่งให้มันจเจริญอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้รวยไปเรื่อยๆไม่ได้วันดีคืนดีเงินทองก็อาจจะหมดได้ เคยมีตำแหน่งใหญ่โตวันดีคืนดีเดี๋ยวก็พ้นจากตำแหน่งได้ <c oughs> เคยมีการได้รับร่างวิรางวัลได้การรับยกย่องสรรเสริญเดี๋ยววันดีคืนดีก็ถูกเขาด่าได้ถูกเขาว่าได้ให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงไม่แน่นอนเป็นของชั่วคราวมันจะทำให้เราทุกเวลาที่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการ ถ้าเรามองเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับได้ต่อไปเราก็จะไม่อยากได้อะไรพอไม่มีความอยากแล้วใจก็เย็นสบายไม่ต้องดิ้นหลนไม่ต้องหาอะไรมาให้ความสุขอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ถ้าไม่มีความอยากทุกวันนี้ที่พวกเราไม่มีความสุขกันก็เพราะความอยากอยากได้น่นอยากมีนี่อยากไปน่นอยากมานี่ พอไม่ได้ไปก็หงุดหงิดรำคาญใจพอไปก็หายหงุดหงิดเดี๋ยวเดียวพอกลับมาอยู่บ้านเดี๋ยวสักพักก็อยากขึ้นมาใหม่ก็ต้องไปทําตามความอยากอยู่เรื่อยๆเรยพราะเราไม่รู้จักวิธีกําจัดความอยากถ้าอยากจะกําจัดความอยากเราก็ต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิทําใจให้สงบถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็จะหยุดความอยากได้ชั่วคราว ขณะที่จิตยอยู่ในสมาธิจิตก็จะไม่มีความอยากแต่พอออกจากสมาธิมาเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้ความอยากหายไปอย่างทาวรก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจสอนให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้จะไม่มีวันจบความอยากจะไม่มีวันหมดอยากได้อะไรพอให้มันแล้เดี๋ยวพวกนี้มันก็อยากจะได้ใหม่อยากทาอะไรพอได้ทาแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็อยากจะทาใหม่ วิธีนี้ทำให้ความอยากมันหมดก็คืออยากไปทําตามความอยากการจะไม่ทําตามความอยากได้ก็ต้องเห็นว่าสิการทําแล้วมันไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเหมือนความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เดี๋ยวก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องหาใหม่หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปถ้าหาไม่ได้ก็ทุกข์อีกให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราต้องการนี้มันเป็นทุกข์มันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรา เราเห็นไตรั ก, รกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในลาบยศจัลเสริญในรูปเสียงกิรลดในคนนั้นคนนี้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อไปเราก็ไม่ไปอยากไปยุ่งกับใครปล่อยให้เขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเหมือนกับเราปล่อยธรรมชาติปล่อยดินฟ้าอากาศเราไม่ค่อยไปทุกข์กับดินฟ้าอากาศเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ไปอยากให้ดินฟ้าอากาศเป็นไปตามความอยากของเรา พราอเรารู้ว่าเป็นไปไม่ได้ดินฟ้าอากาศเขาไม่ฟังคำสั่งเราฝนจะตกเขาก็ตกแดดจะออกเขาก็ออกเขาจะไม่มารอฟังคำสั่งเราถ้าเรามองทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่ไปยุ่งกับเขาเรามาอยู่แบบไม่ต้องมีอะไรดีกว่าอยู่กับความสงบถ้าเรามีความสงบเรากำจัดความอยากได้ใจเราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุข ร่างกายจะเป็นอะไรเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขร่างกายจะแกร่ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะตายใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะใจมีความสุขได้ตลอดเวลาแล้วถ้าร่างกายตายไปก็จะไม่กลับไปมาไปหาร่างกายอันใหม่อีกต่อไปก็จะไม่มีการกลับมาเกิดใหม่ไม่มามีร่างกายเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่ พอไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเราใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือแทนถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็สามารถผลิตความสุขให้กับใจได้ตลอดเวลาเนี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี่เป็นอย่างนี้ท่านได้สร้างสติได้สร้างสมาธิได้สร้างปัญญาจนท่านสามารถ มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือจันจึงไม่กลับมาเกิดเหมือนพวกเราพวกเราถ้ายังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเดี๋ยวตายไปเราก็จะกลับมามีร่างกายอันใหม่เพราะเรายังไม่ได้กำจัดความอยากที่อยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองสิ่งที่สิ่งที่จะมากำจัดความอยากที่ จะพาให้เรามาเกิดได้ก็คือศีลสมาธิและปัญญานี่เองหรือสติสมาธิปัญญาถ้าเรามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะควบคุมความอยากได้หยุดความอยากได้เมื่อเราหยุดความอยากได้เราก็มีความสุขในใจขึ้นมาแล้วทำให้เราไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไป นี่คือใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกท่านได้สร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาจึงทําให้ท่านมีความสุขในใจตลอดเวลาทําให้ท่านไม่ต้องมีร่างกายเพราะการมีร่างกายนี้เหมือนเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขได้ร่างกายแล้วก็ต้องทุกข์กับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับการดูแลรักษาปกป้องป้องกันภัยต่างๆ แล้วยังต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายอีกนี่คือโทษของการมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาทุกข์อยู่แบบไม่มีร่างกายจึงดีกว่าอยู่แบบมีร่างกายพระพุทธเจ้าพระสาวกท่านจึงอยู่แบบไม่มีร่างกายด้วยการกำจัดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปด้วยการปฏิบัติศีลสติสมาธิและปัญญานี่เอง ถ้าพวกเราปฏิบัติตามต่อไปใจของพวกเราก็จะเป็นเหมือนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานไปตลอดไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดนี่คือประโยชน์สุขที่เราจะได้รับจากการศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาคําสอนที่เราได้ศึกษาไปปฏิบัติน ถ้าปฏิบัติแล้วจิตใจของเราก็จะก้าวขึ้นสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเราต้องทําไปเป็นขั้นเราจะกระโดดข้ามขั้นไม่ได้เหมือนกับการจะขึ้นชั้นหนึ่งไปชั้นสี่เราก็ต้องผ่านชั้นสองชั้นสามไปก่อนถึงจะไปถึงชั้นสี่ได้เช่นเดียวกับการไปสวรรค์ชั้นนิพพานก็ต้องผ่านสวรรค์ชั้นเทพก่อนสวรรค์ชั้นพรหมก่อนถึงไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานได้เพราะกําลังของเรา จะไม่สามารถก้าวจากชั้นหนึ่งไปชั้นสีได้เลยต้องขึ้นไปทีละชั้นก่อนดังั้นขั้นต้นเราก็ต้องมาทำบุญทำทานรักษาสีหน้าให้ได้ก่อนเมื่อเราได้แล้วขั้นต่อไปก็มารักษาศีแปดมานั่งสมาธิพอได้สมาธิแล้วเราก็มาฝึกใช้ปัญญาพิจารณาทุกอย่างว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา ถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะหยุดความอยากต่างๆได้เมื่อหยุดได้แล้วใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดใจของเราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นนิพพานที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับกันถ้าเราเชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิตตทินังเปตานังอุปกบปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจตุสัพเพ ป, ปุเรนตุสังกปา จันโทปนะหราโสยถามณิโชติระโสยถาสภีติโยวิวาจันตุสัพพโรโควีนัสตุ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 วันนี้จาก f ฟ c e b o o สามร้อยสี่สิบสามร้อยห้าสิบสี่วิทยุออนไลน์สามสิบสามรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสองวมหกร้อยสามสิบสองค่ะหกร้อยกว่าทุกวันนะติดตามตอนนี้เป็นช่วงถามตอบปัญหาใครมีคำถามอยากจะถาม ก็เชิญถามได้จะเขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาให้พิธีกร อ, อ่านให้คำถามให้ก็ได้หรือจะขึ้นมาถามเองก็ได้มีไมโครโฟนให้พูดถามได้ถ้ายังไม่มีก็เอาคำถามจากทางบ้านก่อนมีไหมมีค่ะพระอาจาย์คำถามจากเฟ e b o o k คุณวันธนากราบเรียนถามพระอาจารย์ หนูฝันว่าบุคคลที่เคารพมากเสียชีวิตในฝันหนูพิจารณาว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจกลับสั่นและร้องไห้หนักมากพอสะดุ้งตื่นก็ดีใจสุดๆเหมือนของหายแล้วได้คืนแสดงว่าใจไม่มีอุเบกขาทั้งยามหลับยามตื่นนี่แค่ดูหนังตัวอย่างยังสอบตกถ้าวันข้างหน้าต้องเจอเหตุการณ์จริง ควรวางใจอย่างไรไม่ให้สั่นไหวขนาดนี้เจ้าค ะ, ะถ้าไม่นั่งสมาธิให้มากขึ้นให้มีอยู่เบกขามากขึ้นมันก็จะเป็นอย่างที่เราฝันอ่ะยังตอนนี้เรามีเวลาเรามาทำการบ้านทำเตรียมตัวสอบมาหมั่นฝึกสมาธิฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆควบคุมความคิดหยุดความคิดหยุดคุยกับตัวเอง ชอบคุยกับตัวเองนะทั้งวันไม่ได้คุยกับใครก็คุยกับตัวเองนะหยุดมันเสียใช้พุโทโธพุโทโธหยุดมันใช้บทสวดมนต์หยุดมันใช้ดูการเคลื่อนไหวของร่างกายหยุดมันแล้วพยายามนั่งสมาธิให้บ่อยให้มากให้มันรวมให้ได้ถ้าใจสงบแล้วมันมีอุเบกขาแล้วทีนี้เวลาเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆมันก็จะเฉยได้ถ้ามันมีปัญญา ถ้ามันรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปห้ามมันไม่ได้ใครจะเป็นใครจะตายเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใครจะด่าใครจะชมเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้เราห้ามใจเราได้อย่างเดียวคือเฉยๆไปถ้าเรามีอุเบกขาเราก็จะเฉยได้ดังนั้นตอนนี้เราขาดอุเบกขาใจเราจริงสัน ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วใจเราจะไม่สันเวลาเจอเหตุการณ์อะไรที่มากระทบกับจิตใจใจเราจะเฉยได้เหรนั้นการฝึกสติฝึกสมาธินี้เป็นคุณเป็นประโยชน์มากตอนนี้ปัญญาเรามีกันเยอะแล้วเราฟังเทศกันจนหูฉีกแล้วเรารู้วันนี้แจ้งทุกขังอนัตตาแล้วแต่เราทำใจไม่ได้เพราะเราขาดสติขาดสมาธิ คำถามจาก YouTube คุณทาธาเป็นที่รู้กันในหมู่นักภาวนาว่าตามวัดหรือสถานที่ปฏิบัติธรรมมักจะมีผู้ได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมและส่วนใหญ่บุคคลดังกล่าวมักจะลุ้แก่อำนาจมีพฤติกรรมแบบที่เราเรียกกันว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่สร้างความลาบากใจให้กับผู้มาอยู่วัด ทำให้ผู้ภาวนาใหม่ๆหลายท่านเกิดความไม่เข้าใจหรือถึงขั้นท้อถอยกับการอยู่ในสถานที่ภาวนานั้นๆกราบเรียนถามพระอาจารย์ชี้แนะหนึ่งบางครั้งเราเกิดความสงสัยในตัวครูบาอาจารย์ว่าทำไมท่านจึงปล่อยให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นโดยไม่ตักเตือนหรือห้ามปรามเราควรคิด อย่างไรให้ถูกต้องในเรื่องนี้คะคือมันเป็นเรื่องที่มันเป็นแล้วแต่สถานที่แล้วแต่บุคคลบุคคลบางคนเขาก็ทำหน้าที่ของเขาด้วยความเป็นธรรมเพียงแต่ว่าใจเรามีอคติเพราะเราไปถือว่าเขาเป็นค า, ารวาะเขาไม่เป็นพระเขาเราก็เลยต่อต้านเขา ถ้าเขาเป็นพระเราก็จะไม่กล้าต่อต้านเขาความจริงเ้าก็ทำหน้าที่เหมือนกับพระพระมอบหมายให้เขาก็ทำตามหน้าที่นั้นเพราะว่าพระไม่สามารถที่จะมาเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับญาติโยมได้เช่นในสถานที่พักปฏิบัติพระจะไปเข้าไปยุ่งเกี่ยวยด้วยมันไม่เหมาะสมก็เลยต้องมอบหมายให้กับคนที่พระไว้ใจได้ที่รู้ว่ามีความเป็นธรรมอยู่ในใจ เพียงแต่ว่าเรามีอคติต่อเขามากกว่าทำให้เรามองเขาในในมุมที่ไม่ดีเพราะว่าเวลาเขาห้ามอะไรเราบอกอะไรเราเราก็ไปโกรธเขาเพราะเขามาขัดกิเลสเราดังนั้นอย่าไปโทษใครโทษเราดีกว่าถ้าเราไปอยู่วัดแล้วเราต้องยอมรับกับสภาพที่วัดเขามอบให้กับเราถ้าวัดเขาตั้งให้ใครเป็นผู้ดูแลควบคุมเราเราต้อง ยอมรับถ้าไม่รับเราก็อยู่ไม่ได้เพราะพระส่วนใหญ่ท่านจะดูแลกับพระโดยตรงครูบาอาจารย์นี่ฉันจะดูแลพระใกล้ชิดแต่สถานที่ภักนี่ท่านก็จะมอบให้กับผู้ใดผู้หนึ่งที่ท่านเห็นว่ามีคุณธรรมไว้ใจได้แล้วท่านก็ไม่ปล่อยปากเลยท่านก็คอยติดตามสอบถามคอยสอดส่องดูแลอยู่เสมอไม่ได้ปล่อยให้ หรือว่าถ้าเราเห็นว่าบุคคลที่ท่านมอบหมายให้ไม่เป็นธรรมจริงๆก็ลองไปกราบเรียนท่านดูก็ได้แต่เราคิดว่าส่วนใหญ่มันเกิดจากกิเลสของเรามากกว่าเราไปอยู่สถานที่เราก็ยังไม่อยากให้ใครมาเป็นใหญ่กว่าเรานอกจากพระเหตุนเราก็ต้องยอมรับว่าสภาพของความเป็นจริงพระจะมาคอยควบคุมขรารวาตลอดเวลามันไม่ได้ กุูบาอาจารย์ท่านก็มีภารกิจหลายอย่างไหนจะต้องเลี้ยงดูตัวท่านเองไหนจะต้องมาสั่งมาสอนไหนจะต้องมาคอยดูแลพระเราจะไปให้ดูแลโยมตัวคนเดียวทำไม่ไม่ไหวก็ต้องมอบหมายให้คนอื่นช่วยทำกันไปยิ่นถ้าเราไปแล้วเรารับสภาพไม่ได้เราก็ไปหาวัดที่ไม่มีตัวแทน ก็ต้องไปหาวัดเล็กๆวัดที่ไม่มีคนมากเอที่ครูบาอาจารย์ดูแลควบคุมได้ทั่วถึงเอวันนั้นก็อาจจะไม่มีใครมาเป็นทำหน้าที่แทนครูบาอาจารย์ท่านก็จะเป็นผู้ดูแลเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัดที่เงียบเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่ถ้ามีคนเยอะๆนี่ท่านก็ดูแลไม่ไหวอคําถามที่สอง เราควรให้กำลังใจผู้มาใหม่อย่างไรไม่ให้ท้อถอยหรือควรแนะนำให้เขาไปภาวนาที่อื่นซึ่งก็อาจจะเจอปัญหาคล้ายๆกันทุกว่ามันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนะไม่เจอพระก็จ้องเจอโยมนะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าพูดปฏิบัติธรรมนี้ถ้าจะปฏิบัติอย่างมีความสุขก็หัดทำตัวให้เป็นแจ้ว ทำตัวให้เป็นปตตภีให้คิดว่าตนเองเป็นผู้ต่ำต้อยที่สุดเป็นผู้อ่อน น, ออน้อมถ่อมตนอย่าถือตัวถือตอนบางคนไปยังแบก อัตตาตัวตนเข้าไปฉันเป็นอธิบดีฉันเป็นรัฐมนตรีฉันเป็นลูกนายกฉันเป็นหลานท่านลูกท่านหลานเธอถ้าลงแบกตำแหน่งเหล่านี้ไปแล้วทีนี้ก็จะยากต่อการที่จะไปรับการอบรมสั่งสอนเรา้องทำตัวมอนเป็นเมือนเด็กอนุบาลพ่อแม่ส่งเข้าโร ง, งเรียนฝากให้ครูแล้วแต่ครูจะสอนจะสอยยังไงพ่อแม่ไม่มาเกี่ยวข้องนะ ต้องทําตัวแบบนั้นทําตัวเป็นแบบนักเรียนทําตัวเป็นแฉวทําตัวเป็นปัตตภีแม้แต่พระก็ต้องทําแบบนั้นพระที่บวชที่ไปอยู่ตามวัดป่านี้จะต้องทําตัวเเหมือนคนรับใช้รับใช้ครูบาอาจารย์ล้างทงล้างเท้าเช็ดเท้าให้ทันล้างส้วมล้างอะไรล้างกระโถนนัง่นงอะไรกว่าถูสาลาทำลายมือทุกอย่างเหมือนกับเป็นคนรับใช้ ถ้ามาถือตัวว่าเป็นพระธรรมเหล่านี้ไม่ได้ก็จะอยู่ไม่ได้เหตุั้นผู้ปฏิบัตินี้การส่วนหนึ่งเหตุผลของการมาบวชของการมาปฏิบัติก็เพื่อมาฆ่าตัวตนนี้เองมากําจัดตัวตนตัวที่ถือว่าตัวเองเป็นนั่นเป็นนี้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราจะมาทําลายนี่เราต้องมาทําตัวเราให้ต่ําที่สุดะ มีหนังตัวอย่างให้ฟังมีลูกนมีนายพลคนหนึ่งมีลูกจบปริญญาโทนายพลมีศรัทธากับหลวงตามากก็อยากจะเอาลูกมาบวชตอนตอน้นเวลามาขอก็ไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรหลวงตาก็าบวชก็บวช พอใกล้จะบวชก็มาตั้งเงินขายว่ า, อ, าอยากจะให้ลูกมีทมีตำรวจนับใช้ลูกหน่อยเพราะพ่อเป็นนายพลมีตำรวจนับใช้มาช่วยรับมาล้างบาศมาช่วยกวาดถูกุฏิให้พระหน่อยหลวงตาบอกว่ า, ถ, าถ้าจะเอาคนรับใช้มาก็ไม่ต้องเอาพระมาถ้าจะเอาพระมาก็ไม่ต้องเอาคนรับใช้มา มาบวชไม่ได้มาบวชเพื่อให้มาอยู่แบบลูกในพนมาให้บวชให้มาอยู่แบบลูกของพระพุทธเจ้าลูกของพระพุทธเจ้าก็ต้องอยู่แบบไม่มีอัตตาตัวตนเหมือนสมัยพุทธกาลตอนที่มีญาติของพระพุทธเจ้าจะบวชเนี่ยมีเจ้าชายอยู่ห้ารูปเช่นพระ อ, อนอนท์พระอนุรุทธะนี่พระเทวทัตนี่ท่านเป็นญาติของพระพุทธเจ้าเป็นเจ้าชาย หลังจากได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชแล้วพอดีมีลูกน้องเป็นช่างตัดผมจะขอบวชตามด้วยเจ้าชายทั้งห้ารูปก็เลยมาปรึกษากันว่าควรจะให้ใ ห, ให้ลูกน้องบวชก่อน เพราะเมื่อลูกน้องบวชแล้วมันจะเป็นอาวุโสเป็นใหญ่กว่าผู้ที่มาบวชทีหลังพวกเจ้าชายจะต้องไปกราบลูกน้องเวลาบวชเป็นพระแล้วท้า้ลูกน้องบวชก่อนเนี่ยเขาบวชกันแบบนั้นเขาบวชเพื่อทำลายอัตตาตัวตนการถือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่พอมาบวชนี่เราต้องสลัดทิ้งไปให้หมด เข้าวัดแล้วเราต้องสลัดทิ้งฐานะการที่เราเป็นอยู่ทางโลกไปให้หมดให้มาถือว่าเราเป็นลูกของอพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์ท่านจะด่าจะว่าจ ะ, จะสอนจะสอนท่านจะให้เราทําอะไรนี้เราต้องเชื่อฟังแล้วเราจะได้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอุปสรรคก็คืออัตราตัวตนของเรานี่แหละที่มันทําให้เราอไม่ยอมรับ กกับการคํํําาสสั่ง่งงคคอออนนขผู้ืาถามจากคุณสุภกรพี่สาวชอบทําบุญเข้าวัดนั่งสมาธิแต่ไม่ค่อยดูแลพ่อแม่ไม่ทราบ ว, ว่าบุญที่ทํานั้นได้เต็มร้อยหรือเปล่าคะก็อยู่ที่ว่าเขามีหน้าที่ต้องดูแลหรือเปล่าอาจจะมีพี่น้องหลายคนอาจจะแบ่งภาระหน้าที่กัน ถ้าเป็นหนภาระหน้าที่ของเขาถ้าเขาบกพร่องก็ไม่สมควรเขาควรจะทําหน้าที่ของเขาให้สมควรสมถ้าแต่ถ้ามีการแบ่งภาระหน้าที่กันคนนั้นช่วยเวลานั้นคนนี้ช่วยเวลานี้ถ้าทุกคนทําตามหน้าที่ก็ไม่น่าจะบกพร่องอย่างใดการดูแลพ่อแม่ก็เป็นสิ่งที่สําคัญ เ, เป็นบุญ แต่ก็การไปปฏิบัติธรรมก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นบุญเหมือนกันเป็นบุญที่สำคัญกว่าเพราะว่าการดูแลพ่อแม่ก็ไม่ได้ทำให้ตนเองได้สมาธิได้ปัญญาถ้าอยากจะได้สมาธิได้ปัญญาได้หลุดพ้นก็ต้องไปปฏิบัติย่งมันก็ต้องแบ่งเวลาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ ถ้ายัางไปปฏิบัติไปบวชไม่ได้ต้องดูแลพ่อแม่ก็ดูแลไปก่อนถ้ามีเวลาแบ่งไปได้ก็ไปปฏิบัติอันนี้ยังก็ต้องดูว่ามีเรามีภาระหน้าที่อะไรเราก็ไม่ควรที่จะให้มันบกพร่องในภาระหน้าที่เหล่านั้นหน้าที่ของเราก็สำคัญหน้าที่ดูแลพ่อแม่ก็สำคัญ ยังก็ต้องดูว่าอันไหนมาก่อนมาหลังคำถามจากคุณบุญพองการพูดโกหกเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจะถือว่าผิดมากหรือหรือบาปหรือเปล่าคะชื่อไม่พูดดีกว่าพูดโกหกต่อไปเขาก็จะสิทธิ์เก็จะเสียเครดิตต่อไปเราก็จะเป็นเหมือนเด็กเลี้ยงแกะพูดไปแล้วก็จะไม่มีใครเชื่อว่าพูดจริงแล้วพูดไม่จริง ูอย่าพูดดีกว่าถ้าเราคิดว่าพูดแล้วทำให้เกิดความเสียหายขึ้นมาเราก็ปิดปากซะแค่นี้เองใช่เมเองพูดเรื่องเรื่องอย่างอื่นก็ได้เรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องอะไรจิ ป, ปารทะที่อยากจะพูดก็พูดไปแต่เรื่องที่พูดแล้วเสียหายเราก็อย่าพูดถึงมันก็หมดเรื่องไปเลี่ยงไปพยายามเลี่ยงไปอย่าไปพูดถึงมัน พระอาจารย์คะแล้วถ้าเราโกหกคุณแม่ที่เป็นอัลไซเมอร์เพื่อให้ท่านทานยาหรือทานข้าวนี้ไม่บาปใช่ไหมคะก <of> ็เหมือนกันนะไปโกหกทําไมลนะไม่งั้นเขาไม่ยอมทานก็เรื่องของเข า, าสิเขาไม่ทานก็เรื่องของเขาขอบพระคุณค่ะคําถามจากคุณวิราวัน lend. การฝึกพิจารณาปัญญาขั้นแรกให้เราพิจารณาร่างกายใช่ไหมเจ้าคะอมันแล้วแต่ว่าเราอยู่ตรงตรงไหน ถ้าเรายังติดอยู่กับเรื่องลาบยศจัลเสญเรื่องความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องแปรพิจารณาเรื่องนั้นก่อนถ้าเรายังติดช้อปปิ้งติดเที่ยวอยู่ยเราก็ต้องแปรพิจารณาเรื่องช้อปปิ้งเรื่องเที่ยวก่อนถ้าเราติดโซเชียลยังเข้าเฟ e b o o k ยังดูลายอยู่เราก็ต้องพิจารณามันก่อนอมันต้องตัดแต่ละอย่างที่เราติดอยู่ให้หมดไป ส่วนตัวร่างกายนี้มันเป็นตัวที่ตัดยากกว่าแล้วจะเข้าถึงได้ต้องตัดอย่างอื่นก่อนงั้นก่อนที่จะมาตัดร่างกายได้นี้ต้องตัดของภายนอกร่างกายก่อนเพราะเรารักของภายนอกน้อยกว่าเรารักร่างกายตัดตัดสิ่งที่เรารักน้อยง่ายกว่าตัดสิ่งที่เรารักมากงั้นเราต้องตัดสิ่งที่มันง่ายก่อนของนอกกายมันง่ายกว่า เช่นข้าวของเงินทองสมบัติต่างๆตัดให้น่ายมันได้ก่อนถ้าตัดของง่ายไม่ได้จะไปตัดของยากนี้มันเป็นไปไม่ได้ฉะั้นก่อนจะมาตัดร่างกายได้นี่ต้องตัดราบยศเสริญทรัพสมบัติเข้าของเงินทองตัดตำแหน่งตัดงานการตัดคนนั้นคนนี้ก่อนพอตัดภายนอกได้แล้วเราถึงค่อยมาตัดภายในต่อไปมาตัดร่างกายแล้วก็มาตัดเวทนาแล้วก็มาตัดอารมณ์ต่างๆ มันกันขั้นเหมือนกับการปอกผลไม้เนี่ยมันต้องปอกเปลือกก่อนถึงจะไปถึงเนื้อแล้วก็ต้องปอกเนื้อออกถึงจะไปเจอเมเล็ดเนี่ยมันมีหลายขั้นด้วยกันการปฏิบัติธรรมก็แบบเดียวกันต้องต้องตัดภายนอกก่อนแล้วก็ตัดเข้ามาภายในต่อไปตามลําดับตัดของที่ง่ายก่อนของที่ยากก็รอไว้ก่อนเหมือนทำข้อสอบเวลาเราทําข้อสอบ มีอยู่สิบข้อเจอข้อหนึ่งมันยากเราก็กระโดดข้ามไปก่อนเงั้นไปติดไปเสียเวลานั่งคิดตอบคําถามข้อหนึ่งเดี๋ยวไม่มีเวลามาตอบข้ออื่นเลือกเอาข้อง่ายๆก่อนข้อไหนง่ายทําได้เลือกตอบมันไปก่อนพอตอบข้อง่ายๆได้หมดแล้วทีนี้ก็มาเลือกตอบของที่เรายังตอบไม่ได้ต่อไปถ้าใบมัวติดอยู่กับข้อยากๆข้อแรกก็ตายเลยกว่าจะเสร็จหมดเวลาพอดี ก็ง่ายๆก็เลยตอบไม่ได้ไม่มีเวลาตอบคาถามจากคุณนัทกราบเรียนถามมีคนแนะนำให้ล้างเท้าพ่อแม่เพื่อขอโอโหสิกรรมแล้วนำน้ำมาดื่มอาบจะช่วยแก้กรรมที่เคยล่วงเกินพ่อแม่จริงหรือเปล่าเจ้าคะควรทำทุกปีหรือเปล่าเจ้าคะไม่แก้กรรมหรอกก ร, รรมที่ทำไปแล้วแก้ไม่ได้กา ร, รที่เราให้ทาแบบนี้เพื่อให้เรา มีความอ่อนน้อมมีความเคารพพ่อแม่เท่านั้นเองแต่การเอามาอาบเอามาดื่มก็ไม่ได้ม า, มาล้างกรรมเก่าอาจจะมาทำให้เรามีจิตจำนึกว่าเราไม่ควรน่วงเกินพ่อแม่เราควรที่จะเคารพนับถือพ่อแม่เชื่อฟังพ่อแม่แม่ด่าพ่อด่าแม่ไม่สั่งสอนพ่อแม่พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรา จะสอนท่านก็ต่อเมื่อท่านถามเราถ้าท่านไม่ถามเราก็ไม่สอนท่านไม่ได้ yeah. คำถามจากคุณชวนกราบเรียนถามพระอาจารย์นั่งสมาธิจะเกิดอาการปวดตามเส้นมากๆกก็อดทนนั่งต่อไปเรื่อยๆบางทีก็ทนไม่ไหว ทำอย่างไรถึงจะตัดเวทนาได้เวทนาเกิดจากกายหรือใจสร้างขึ้นเองกราบเรียนถามครับเวทนามันเกิดจากร่างกายน่่งกายถ้ามันอยู่ในท่าไหนนานๆเดี๋ยวมันก็เกิดอาการเจ็บปวดขึ้นมาได้วิธีที่จะแก้คือไม่อย่าไปทนทนไม่ได้หรอกวิธีแก้ต้องใช้คำบริกรรม พอมันปวดแล้วก็พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอย่าไปคิดถึงความปวดแล้วความปวดก็จะเบาลงหรือไม่มาสร้างความทรมานใจให้กับเราเพราะการทรมานใจของเราเกิดจากความอยากของเราอยากให้ความปวดหายไ ป, ห, ยไปหรืออยากจะลุกหนีไปเนี่ยพอเรามาบริกรรมพุโทโธพุธโทโธความอยากก็จะหยุดไปพอความอยากหยุดไปความทรมานก็หายไป ความปวดยังอยู่แต่มันไม่ทรมานเพราะความปวดของร่างกายมันไม่ดุรแรงที่มันดุรแรงคือความปวดของใจของความที่เกิดจากความอยากอถ้าดูหนังนี่ปวดฉี่ยังนั่งทนดูได้ใช่ไหมเพราะไม่ได้อยากลุกใช่ไหองั้นก็เหมือนกันพอมันพอมันปวด ตรงนั้นตรงนี้ก็เปิดหนังเปิดพุทโธดูพอดูพุทโธพุทโธมันก็ลืมความปวดไปความอยากจะลุกก็ไม่มีมันก็เลยนั่งต่อไปได้ต่อไปมันก็จะไม่กลัวความเจ็บเพราะมันรู้จักวิธีผ่านความเจ็บได้อยู่กับความเจ็บได้โดยการพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้อิติปิโสภะกาวาอัลังสัมมาสัมพุทโธให้ใจเจาะ กาะติดอยู่การสวดกาะติดอยู่คำบริกรรมแล้วมันจะลืมความอยากที่อยากจ ะ, ะให้ความปวดหายไปคำถามจากคุณสวยหลอ่อกราบนมัสการพระอาจารย์กระผมเรียนถามคือพระสงฆ์กับการใช้โทรศัพท์เหมาะสมหรือไม่ครับรผิดวินัยไหมครับอ๋อมันก็เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่ง เนเหมือนมีดมีดนี้ถ้าใช้เป็นก็เป็นประโยชน์ใช้ไม่เป็นก็เอามาบาดเอามาทิ่มแทงตัวเองได้ตัวศัพท์ก็เป็นสื่อเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งซึ่งถ้าพระมีความจำเป็นจะต้องสื่อสารก็ใช้ได้ใช้ให้มันถูกกาลเทศะใช้ให้มันกับความจำเป็นจริงๆ แตถ่ถ้าเอามาใช้เพื่อการเล่นกันเพื่อการหาความสนุกสนานเฮฮากันใช้แบบนี้ก็เป็นโทษไม่ควรจะใช้แต่ถ้าอยากจะเป็นพระปฏิบัติเข่งๆก็อย่าไปใช้มันเลยเพราะปฏิภาปฏิบัติจริงๆท่านก็ไปอยู่ป่าถ้าไม่ต้องการจะติดต่อกับใครก็แล้วท่นก็ไม่ต้องมีโทรศัพท์วัดป่าบ้านต่าสมัยที่เราไปอยู่ท่านไม่ให้มีโทรศัพท์ ไม่มีโทรทั์ไม่มีวิทยุไม่มีเทวทัตท่านว่าว่าพระไม่จำเป็นจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้พระมีหน้าที่นั่งสมาธิเดินจงกรมฟังเทศฟังธรรมไปอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นพระอาจารย์พระผู้ใหญ่ ที่ท่านมีภารกิจอาจจะต้องติดต่อสื่อสารก็ใช้ได้ครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้โทรศัพท์แต่บางทีท่านไม่มีโทรศัพท์เองเวลาจะใช้ก็เอาลูกเอาของลูกศิษย์มาใช้ใช้เสร็จก็คืนเข้าไปดีสบายกว่าไม่ต้องมาคอยดูแลรักษาไม่ต้องมาคอยชาริแบบอยู่เรื่อยๆคำถามจากคุณสมหมาย กราบพระอาจารย์เวลาไปใส่บาตรตอนเช้าพระท่านจะทักถามเราบางครั้งเราตอบไม่ตรงประเด็นที่ท่านถามนึกคำตอบไม่ทันพระท่านจะคิดว่าเราไหมคะอ๋อไม่หรอกพระท่านก็ถามไปเป็นเป็นการแผ่เมตตาให้มีความรู้สึกสนิทสนมกันบ้างอะไรทำนองนั้นเท่านั้นเองตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้ถ้าท่านต้องการคำตอบเดี๋ยวท่านก็ถามซ้าอีกที ถ้าตอบไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้เตรียมคำถามไว้ก็แล้วกันไม่มีไม่มีความเสียหายอะไรคำถามจากคุณสุวิทย์กราบนมัสการครับขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่านอนหลับแล้วฝันมามากมายหลายอย่างฝันทั้งคืนตื่นมาเหมือนไม่ได้นอนเลยรู้สึกเพลียมากๆบางครั้งก็ปวดหัว เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วขอคําแนะนําควรจะทําอย่างไรดีครับ เ, ออเราเป็นพวกคิดฟุ้งซ่านเงยไม่มีสติปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านทั้งวันทั้งคืนเวลานอนหลับมันก็ฝันเพรนั้นถ้าอยากจะให้มันไม่ฝันหรือฝันน้อยคิดน้อยก็ต้องฝึกเจริญสติอย่าปล่อยให้ใจคิดอยู่เรื่อยๆอย่าคุยกับตัวเองอยู่เรื่อยๆ ให้คุยกับพุโทโธบางพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปแล้วอาการความคิดต่างๆความาฟุ้งซ่านต่างๆความฝันต่างๆมันก็จะน้อยลงเบาลงคําถามจากคุณสิริปรียาความสุขจากการทำสมาธินี้เป็นยังไงคะ <c oughs> หนูทำสมาธิแล้วได้แค่จิตนิ่งๆอะคะ่ะยังไม่ถึงความสุข ก็ยังไม่สงบเต็มที่ก็ต้องพุทโธต่อไปถ้าดูลมก็ดูลมต่อไปอย่าเพิ่งหยุดคําถามจากคุณมิเชลกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะเหตุใดเราจึงพิจารณาอาการสาสิบสองส่วนอวัยวะทางการแพทย์อาทิต่อมไทรอยเป็นต้นจึงไม่นํามาพิจารณาขอความเมตตาเจ้าค่ะคือการพิจารณาอาการสาสิบสองนี้ มีเป้าหมายอยู่สองอันคือหนึ่งให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อเราจะได้คลายความหลงรักคนนั้นคนนี้ถ้าไปเห็นโครงกระดูกของแฟนเห็นตับไตไส้พุงเห็นปอดเห็นอะไรมันก็จะทําให้ความรักนี้เบาลงหรือหายไปเลยก็ได้เวลาที่เกิดการอารมณ์ก็สามารถระงับกามอารมณ์ได้ ถ้าเราคิดว่าเรากาลังจะไปนอนกับโครงกระดูกนะใช่ไหมมีใครไม่มีโครงกระดูกบ้างพออยากจะไปนอนกับแฟนอยากจะไปกอดหมอนหมอนข้างรัวหมอนข้างนี้เป็นโครงกระดูกนี่ก็กอดไม่ลง อ, ะอ่ะนี่คือวิธีการพิจารณาอาการ32เพื่อให้เห็นส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายเพื่อที่จะระงับการาอารมณ์ ถ้าเรารักษาศีลแปดนี่เราต้องคอยระ ง, งับการมลลมถ้าเราไม่มีาการดูอาการสาสองเดี๋ยวเกิดการมลลมแล้ว เ, เดี๋ยวเราศีลขาดได้ต้องกลับบ้านไปหาแฟนถ้าเราอยากจะรักษาศีลแปดโดยที่ไม่ต้องอผิดศีลเราก็ต้องฝึกพิจารณาการสามสิสองอันนีอน้อันแรก อันที่สองการพิจารณาการสิบสองเพื Jude, <d> um <incorrectly> oh no. ่อให้เราเห็นว่าร่างกายนี้มีอะไรบ้างเรามักจะไปหลงคิดว่าร่างกายนี้มีเรามีเราอยู่ในร่างกายเราก็เลยต้องอค้นดูว่าในร่างกายแล้วตรงส่วนไหนที่มีเรานอการสามสิบสองก็ไม่มีเราใช่ไหมผมเป็นเราหรือเปล่าขนเป็นเราหรือเปล่ากระดูกเป็นเราหรือเปล่าอปอดเป็นเราหรือเปล่าตับเป็นเราหรือเปล่า เมื่อเราค้นหาทั้งร่างกายเราก็จะไม่พบว่ามีเราอยู่ในร่างกายเราจะได้แก้ความหลงได้ว่าร่างกายนี้บันเทยงเป็นอาการ32หรือมากกว่านั้นก็ได้คือสมัยนีการแพทย์เขาสามารถค้นพบกับอวัยวะต่างๆที่สมัยก่อนเขาอาจจะไม่เห็นกันก็ได้ <c oughs> เขาก็เลยเอาอาการใหญ่ๆที่เห็นชัดๆ32อาการ <c oughs> ก็พอเป็นตัวอย่างของส่วนประกอบของร่างกาย เพื่อให้เราได้เห็นว่าร่างกายนี้เป็นการประกอบขึ้นของอาการต่างๆเช่นผมขนเล็บฟันหนังปอดตับไตอะไรทํานองนี้เพื่อเราจะได้คลายความหลงความเข้าใจผิดเหมือนกับถ้าเราไปคิดว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋าเราอยากจะหากุญแจเราก็ต้องไปค้นที่กระเป๋ามีเของในกระเป๋าเราก็เทออกมาหมดเลยแล้วค้นดูว่ากุญแจเรามีอยู่ในกระเป๋าหรือเปล่า ถ้าเทออกมาหมดไม่มีกุญแจอยู่ในนั้นก็แสดงว่าเราเข้าใจผิดเราก็ต้องไปหากุญแจที่อื่นถ้าเรามาค้นว่าตัวเราอยู่ในร่างกายแล้วค้นไม่เจอเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราต่อไปเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลมารักมาหวงร่างกายร่างกายมันจะเป็นอะไรเราก็จะไม่เดือดร้อนไปกับมันเพราะเรารู้ว่ามันไม่ได้เป็นเรา เราจะได้มาหาคนว่าเราอยู่ที่ไหนวิธีที่จะค้นตัวเราว่าอยู่ที่ไหนก็มานั่งสมาธิพอใจสงบเราก็จะพบตัวเราตัวเราก็จะหายไปเราก็จะรู้ว่าตัวเรานี้เป็นตัวคิดเท่านั้นเองที่เราคิดขึ้นมาเป็นตัวสมมุติขึ้นมาพอเราทำใจให้สงบตัวตัวเราก็หายไปเหลือแต่ตัวรู้เราก็จะรู้ว่าตัวนี้แหละคือตัวเราคือตัวรู้นี้เอง โอเคคำถามสุดท้ายนะจะคุณ k r 1นึ่ยขอกราบเรียนถามค่ะเวลาฝึกสมาธิบางครั้งเจออาการที่ตกวูบยาวๆและโยมใช้สติหยุดอาการวูบยาวๆนั้นเมื่อฝึกต่อเนื่องไปก็มีอาการตกวูบอีกหลายๆครั้งโยมควรจะปล่อยให้ตกวูบยาวไปเลยหรือควรหยุดคะ ออปล่อยมันไปมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปให้มีสติถ้าอยู่ก็พุโทโธก็พุโทโธไป <c oughs> ถ้าดูลมก็ดูลมไปถ้ามีสติรู้เฉยๆก็รู้ไปจิตมันจะเป็นไงก็ปล่อยมันไป <c oughs> เดี๋ยวมันก็นิ่งสงบเองอย่าตามมันไปก็แล้วกันให้ดูเฉยๆเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา